ทีิ่ก็ลบแล้วก็ที่สุที่บวิที่นี่นะลุงนั้นคุณทีสุดด้วยก็โมทนาดุวกับญาติธรรมที่ได้ตื่นมาพบกันในตอนเช้ า, ชานะ้ำตามตสบายๆนะขันใจสบายๆนะ ท, ทีนะตื่นมาตอนเช้า จ่วงเวลาประมาณที่ห้าสามเจ็ดเ่จิตรลคลตรตั้งแรกสเช้าควรจะเป็นจิตที่ผ่อนคลายจิตใจก้ไม่เครื่องในเการเพื่อนต้องชีพใหม่จิตใจในตอต น, ตนุช้ า, าเป็นจิตใจที่สดชื่นเกิดมาเป่จิตดวงแรกก็เลยเป็นจิตหนึ่งที่มีความสดชื่นเกิดมาเพราะว่าเราได้ ตังการพักผอนร่างกายและจิตใจในคืนบางท่านอาจาะนอนแล้วก็หลับยาในคืนแรกๆก็เป็นไรนะเพราะว่าคืนแรกอ่างแรกที่ประหลาดีประหลเพื่อน่อาจจะยังไม่เคยเห็นกันเจกันแต่ว่าคืนนี้เราคงจะหลับสบายขึ้น อย่าไปกั น, นเพราะว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้แหละโลกความไม่แน่นอนนะไปะเดี๋ยวมันก็นอนลัเดีย๋ยวก็นอนได้หับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกอยากงบุนบาทีบางท่านอาจจะนอนไม่หล้บแ ต, ไไตแมม่ไม่เป็นไรอยากปต่งว่าอาการม่วอาจจะมีความมัปป่วมากไม่เป็นไรเวลาเกิดความม่วเพราะเ็คือะรกันหลังก็อย่าไป ยอมแพ้หรือยอมจัดเงินกับบวงมันว่วนก็ยอมอะไรก็งานยอมอะไรข้าแต่เรามีวิธีการที่จะทําให้ไม่วุ่น้าถ้าเราวุ่นเราไม่มีอะไรทำมันก็มีสิ่งเดียวล้มปุ๊ไปนอนหลับนั่แต่วันนี้เรามีงอาอะไรเรามีงานอะไรทำงานของเราที่ดีก็คือ งานทำความรู้สึกตัวดังความสุดตัวเดินจงครมความสุตัวน่ยกมือสร้างกังหวะสิบจังหว่ า, วาที่เราได้เรียนกับพระคุณเจา้าเมวานนี้ชาความสุตัวให้มันทะลุความง่วงไปเราดูสิทำมากๆทำบ่อยๆรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว การนัการใดทำไปบ่อยทำใหรู้สึกนเหนื่อยทำใรู้สึกให้มันเหนื่อยเดินถึงเวลาหอยู่นี้ความเหนื่อยไม่ทำให้เราหลับเองเราควรจะหาอากาศื่หมาช้าๆอย่างนี้ในช่วงยามเช้าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการได้มาฝึกฝนจิตใจการได้ฝึกฝนจิใจเพราะเราได้พักผ่อนมาทั้งคืนแล้วเราก็จะตื่นมาเพื่อจะ ฝึกฝนจิตใจของเราไมเราต้องฝึกฝนจิตใจด้วยได้คําถามทําไมต้องมาฝึกฝนจิตใจด้วยเพราะจิตใจเราผ่อนแอนเราจะไม well ่ต้องมาบริหารจิตใจของเราบริหารร่างกายเราก็ทําออกมาแล้วบมงคนบริหารร่างกายเสร็จร่างกายแข็งแรแต่จิตใจเราผ่อนแอนเราบริหารแต่กายแต่เราไม่เคยบริหาร ร่างกายเป็นแข็งแรงจิตใจก็จะผ่อนแอนิสแล็งเป็นรธรรมดาการบริหารร่างกายคือการทําการเคลื่อนไหวขยับตัวเคลื่อนไหออกกําลังกายต่างๆท่าทางต่ตางๆคือนะการบริหารร่างกายแต่การบริหารจิตใจนั้นใจต้องเคลื่อนไหวด้วยการเจริญสติหรือการทําความรู้ตัวทําความรู้สึก ว, ว, วใหจิตมันต ถ้จมันตือนใจมันยสยบนิ่งอยู่ความไม่รู้ตัวเพราการปัญหาจิตคือกันมันรู้สึกตัวจิตมันตื่น<ม>ความรู้สึกตัว ก, การทำจิตให้มันตื่นนะด้วยการเคลื่อนไหวากายแล้วก็อาใจที่เข้าไปรู้สึกรู้สึกความรู้สึกตัวแต่ละครั้งรู้สึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งทำใหจิตมันตื่น ให้จิตมัน pues ตื่นรู้ตื่นรู้เมื่อิมันตื่นรู้นริไอ้ความเบิกบานขังิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรการความตัวตื่นตัวแต่ละข้างเท่ากับเราได้ปลุกปุกจิตเราเนี่ยม้มันง้อหลงงงงาให้จิตมันตื่นรู้แต่ละข้างแต่ะขมาที่หลว่เียนเคบอกว่า <LAUGHTER> ให้เราวรู้สึกตัวตื่นตัวแล้วก็เคลื่อนไหวกาให้รู้สึกกายให้มันตื่นกายรู้สึกใจตื่นใจสามอย่างรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกกายเวลาเคลื่อนไหวก็ตื่นกายรู้สึกใจก็ตื่นใจอันนี้คือความรู้ตัวที่หลเรียนได้สอนเอาไว้ความรู้ตัวทำให้จิตตื่น อยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตเพราะความลืมตัวถ้าเราไม่ลืมตัวจิตจะไม่อยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิตนี้เพราะเราหลงลืมตัวทำให้จิตมันเป็นคิดมันเป็นคิดอะไรเอาวางถึงอดีตซึ่งมันผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วแต่เราเป็นคิดขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ของจริง แต่เราก็เป็นคิดที่กระวนการกิรณาคตสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันยังไม่มีนะอันนี้มันก็เป็นของไม่จริงเหมือนกันชีวิตจริงเนี่ยมันต้องอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ปัจจุบันที่เราสามารถพิสูจน์ได้เห็นกันได้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่เรานะบรอยุทธที่เป็นชีวิตใหม่จริงชีวิตปัจจุบันเย มันปรับจากเรื่องอดีตนชีวิตปัจจุบันนเป็นชีวิตที่ปกติมันมีความเลนื อ, อล้อจัด้อนใจเป็นความว่างของจิตช่ต ah ิดเดิลแท้ๆพุทธเดิลแท้หรือว่าเนี่ยหมายถึงจิตของท่านพูนนันจิตเดิลใจและจิดว ah ่า มันหมายถึงจิตของท่านด้วยนะท่านรวยละแต่เรามาสู่ที่วัดนี้นะเป็นวันที่ท่านวยเน้อท่านเคยอยู่ที่นี่เรามาสูสถานที่นี้แล้วแต่เราต้องปรับใจมาด้วยคือใจที่มีความสื่นรู้ด้วยความรู้ตววให้จิตมันปกติเราล่าตาที่นี่นะไปรู้อักขิตร่างในที่ด้วย ทำมาวันนี้นความรู้สึกตัวให้จิตมันเป็นปกติอย่าปล่อยจิตไปคิดตุงแต่งเลือกอดีตอนาคตให้รู้สึกอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เนี่ยเป็นจิตว่าจิเดิมที่ท่านคุยเล่นได้กล่าวเอาไว้นะแม้แต่เราคิดไดท่านกส็สอนตรงนี้ตอนนี้มีสติรู้สึกอยู่กับ ป, ปัจจุบัน จิตจริงประพัดต่อพิจารณาเรื่องจิตประพัดต่อพิจิตที่ผ่องใสจิตที่ฟ่องใสผ่องใสด้วยการมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันความเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้สึกตัวผู้ตื่นรู้ผู้บิกบานะคือจิตพุทธะซึ่งเป็นจิตมีเดียวซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปถึงได้นปัจจุบันแต่แล้าก็ เอาปิตเตื่นรู้ติที่ว่าปิต<ม>ิรู้ตัวในปัจจุบั น, น, เ, นเอาไปทําหน้าที่เนี่ยในต่อไปในต่างๆในชีวิตเนี่ยเราจะมีความสุขแลาจะมีความสนุกจากการทําหน้าที่ก็ขอเล่าระหว่าิส่วนตัวสักนิดหน่อยพระท่านไปอยากจะรู้ว่าผมเป็นไครมาจากไหนจิตใจจะได้ผ่อนคลายว่าเอาคนที่นี่แต่ต่างฟังก็้ท ผมเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยเป็นคนที่มีความฝ่ายฝันมากมายแต่ลรพัฒน์ที่จะฝัที่อยากเะนได้ต้องมีที่ผมมีแต่ความลำบากนะฮะมพูดถึงตอนที่ก่อนที่ผมจะเรียนรการกายนี่นะแป้ว่าที่ผมจะลำบากแต่ลำบากอยู่ท่ามปลอดท่านกลางความอบคุณนเนี่เพราะผมมี มีพ่อมีแม่มีพี่น้องที่รักกลักไข่ตรงเดียกันแม้แต่จะทำแม้แต่จะลำบากหลายคนอา จ, จะอายะอธิบายเราผมอาจจะลปบากไม่เท่าผมก็ได้ลหลือาจจะมากกว่าผมก็ได้แต่ว่าแต่ละชีวิตเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกั น, นนะเรียนรู้กันได้แต่เรียนรู้กั น, กนไม่ได้แต่ในความลำกเนี่ยผมก็สายความ ความอดทนและก็ความขยันแนบบวกกับปัตตจัยเพื่อนเจ้าทีนทุกคนประตัยใจในความขยันและความอดทนเนี่ยสามารถสร้างประเทศได้ใหญ่โตถึงเราเป็นมาม้าทาม้าเศรษฐีการจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามถ้าเรามีความพยามและมีความอด besar. ทนอันนี้ว่ามากเกินตัวพอสมควรความขยาานและความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรม ความพยายาลในมาประท น, นทำให้ผมเนี่ยเรียนจบแล้วก็ทำ ง, งานรักราชการได้ริหารราชการได้แค่เรียนสาีเท่านั้นผมก็เจอความไม่เที่ยงไม่น่านอนของชีวิตนะผมก็เกิอดอุบัติเหตุในณะที่กำสังสไว้ น, น้ำก็โดนน้าลงไปเกิดพลากข้ศาศีรษาไประแทกถึงปืน ทำไมจะ ด, ดูข้อที่5านี่ยครับร่างก า, ายส่วนลางเป็นอมาะไม่รู้สึกตัวอุบัติเหตุางเนี้ยไม่มีใครทำให้เราเราทำตัวเลยเพราะเรามีความประมาทขาดความรู้ตัวจึงรู้เท่าไป่ถึงการของมิการแับนเนี่ยเพราะความประมาท ความไม่มีสติที่มีความรู้ตัวนี่มันเกิดในร่างจิตใจแต่มีผลมาให้ร่างกายก็ไปกา ร, อ, การอย่างนี้ไปตลองชีวิตวอาการทะเลก็เครื่องไว้ได้แค่แล้วก็ปีศัจนี่มือนี้ก็ใช้ไนดะ้ขับถ่ายก็ไม่รู้ตัวต้องมีคนอยช่วยเรื่อเอตลอดเวลาผมก็ใช้ชีวิตมาแล้วกว่าสามสิบสามปี ร่างกายก็มีคนคอยช่วเหลืแต่จิตใจเนี่ยไม่มีใครสามารถช่วยใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้มีใครไหมที่จะช่วยใจของเนีไม่ให้เป็นทุกข์มีใครสามารถช่วยได้บ้างแล้วใครที่จะเป็นทุกข์แทนผมได้บ้างคือทุกอข์แทนผมแล้วเนี่ยผมต้องไม่ทุกข์เลยนะมีแต่คนอื่นเป็นทุกข <c ười> ์แต่เราก็ไม่หายทุกข์แต่เราปรับทุกข์ด้วยกับเขาเนี่ย ความทุกข์ที่มันหนักหนาคือความทุกข์ทางจิตใจที่มันคิดทุกทางใจที่มันคิดเนี่ยคนเราเป็นทุกข์เพราะความิดนะฮะอารวาห์รันนั่ น, น, นดีเปลี่ยนเทียบวิเราเนี่ยกับอดี้ซึ่งมันดีมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราแม่พบมันจะเป็นทุกข์พราะเราคิดถึงเรื่องราวเนีนดีถ้ามราคิดถึงอดีตล้วก็คิดถึงอางงนาคต เป็นความไมตกตะวันว่าเราจะมีอย่างไรันใครดีงง น, นอนาคตก็เป็นผูอ้อื่นเราหลงลืมตัวเราไม่มีสติเราจึงน้อยเรื่องราวในอดีตแล้วก็เรื่องราวใ น, นอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเอามาครอบครองปัจจุบันจนปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสุขเลยเนี่ยตัวทั่งเราคิดได้ว่า ถ้าเราจะชีวิตแบบนี้ไปจนตายเราก็ต้องทุกข์ไปจนตายจนกระทั้งเราอยากจะพนทุกข์ก็ได้รู้จักหลวงพ่อคำเขียนส่วนรณนร์หลวงพ่อคเขียนนั่นก็สอนวิธีการออกจากทุกข์โดยให้มันเปรนสติแบบเคลื่อนไวน้ตามแมนวดนตรีอย่านเลยแปลว่า ผมมีเอยบุแค่สเ บ, บุญคืนนอนจัสองเอบุคือนอนจำตั้งจนว่าก็นอนพราะวาผมนา่งได้ไี่าร่างกายส่วนมอแขนเนี่ยผมเมื่อก่อนผมไม่ได้แบบนี้นะผมไม่สามารถจะยกมือเคลื่อนไหวสิทซิจังหวะตามลนยมเอียนที่ท่านบอกอย่างที่ท่านสอนอย่างที่ครูขันทานี่ยผมทาไม่ได้แขนนี่มันยกไม่ขึ้นแต่แล้ว่าคำเขียน เขาบอกว่ายกมือไม่ไม่หวให้เป็นอไรให้นอนติดมือเล่นให้นอนติดมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไม่ต้องยกมือแะให้นอนนะนับงติดมือเล่นติดเมืองายแล้วก็รู้สึกติดหมือความรู้งายรู้ความรู้ไม่ได้ใช้ความติดไม่ได้ใช้อรใช้ความรู้สึก เวลานั่งก็รู้นั่งเึ้นมืออย่างนี้ถึงเวลานอนก็นอนเึ่นมื อ, อย่างนี้วันละหกเจชัมมม่วโมงเวลาเราคิดก็ไม่ได้หา้มามไม่ได้ห้ามความคิดแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยไปแต่เราก็มาเริ่มตรู้สึกตัวนี้เวลาเราคิดก็มารู้สึกอย่างนี้มันจะคิดหลายครั้งไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหา้ามแต่มารู้สึกตัวนี้ ท, ทําแค่อย่างเดียว คือความรู้สึก ต, ตัวกับการเคลื่อนไวนหวของร่างกายทำเล่นๆทาแบบสบายๆแบบผ่อนคลายสบายสบๆถึงเวลน า, ล า, านอนก็หลับสบายถ้านั่งใครนอไป่หลับเนี่ยเรานอนติ๊กมือเล่นๆสบายๆหลับเดี๋ยวมหลับสบายเ ล, ลยเพราะเขาทำอย่างนี้นอนติ๊กมือเล่นรู้สึกตัวแวลานั่งก็ติ๊กมือเล่นรู้สึกตัวทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ล่ะรู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตมันก็ไม่คิด ไป่อดีตอนะาคตมันอยู่กับปัจจุบันเนมื่อเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเนี่ยความทุกข์อะไรก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยทุกข์มไม่เกิดถ้ารู้สึกชี้แจงอยู่ปัจจุบนันแบบนี้นะ่ยจิตมันจะมีความสุขมันจะมีความเปิดบานเกิดขึนข้นมาซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะความรู้ตัวไม่เชื่อเราถ้าวางนะ ใช้ยึดแบบรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันไม่ยุ่งกับความคิดกลุงแต่ทั้งสิ้นจิตมันจะมีความสดใสและก็เบิกบานา ท, าที่สำคัญทีในมือก็ยังมีความสว่างในทุก็ยังมีความสุข ใ, ในวิกฤตย่อมมีโอกาสที่จะออกจากวิกฤตันได้ไอความทุกข์ของเราเนี่ยมันก็เป็นโอกาสท่านเราได้มาอุดผลปิดใจ ได้มาดูตัวเองได้มาแก้ปัญหาตัวเองเนี่ยความสุขตัวยมันสามารถแก้ปัญหาที่เราได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนีเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่เพราะความสุขตัวชีวิตผมเปลี่ยนจากร้ายมาลายเป็นดีได้ก็เพราะคระวัติแบบเนี้ยแต่การอาอวามรู้ตัวกันที่ แม้ว่าราการจะมีการก็มีคนคอยช่วยเหลอแต่ใจเราสามารถช่วยตัวเองไดทําใจกได้เพราะด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละเรื่องของจิใจช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองเรื่องร่าการก็อาศัยนอื่นบางรอย่างทุกท่านเนยออาศัยคุณหมอคอยช่วยเหลือเวลาราการมันป่วยไข้ผมก็เช่นเดียวกันนะ เน่แต่ท no really, okay. well, so, ี right. also, andare, ่มาที่เนี่ยเจนว่ามีคุณเอผุ้หญิงตัวสูงอันนั้คือคนช่วยเหลือผมคอดูแลผมและคุณสูกินผู้ชายตัวเล็กๆหลอๆแต่เนี่ยคอช่วยเหลือผมอยู่ที่ไปที่ผมมักทุกวันเขาไปช่วยเหลือผมกันได้บางกรก็จะเห็นว่าคุณเจ้าคุณเจ้าตลอดเนี่ยไปพูดไปคุยไปหา นี่ก็คือต้องขอบคุช่วยผมเหมอนกันนะเพระขุนเจ้าเขช่วยผมเห็นท่านตัวเล็กๆอยู่ในน้อยแต่ภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเนี่ยไม่เล็กตามร่ะถ้า่านเป็นถึงรองเจ้าวาดป่าสุตตะวัความเป็นพุท่าจิต ท, ที่เป็นผูท่าผู้รู้ผู้อื่นผู้อุปมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องบวชหรือไม่บวช ไม่เกี่ยวเรื่องอายุแต่เกี่ยวว่าด้านจิตใจเป็นด้วยมาที่นี่ได้บุญลีโถงแล้วก็ผู้ที่เป็นอาจาสมัยนี่ก็ให้ความสดุดลอยน้งผู้ทุกท่านผมเชื่อว่าพร้องเที่ยวเหลือผมเท่านั้นแหละเนี่ยต้องขอขอบคุณไว้ด้วยตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้ก็ทัอว่าเป็โอกาสดีนะที่เรามาอยู่ที่นี่มาลงมาที่ เรามาบริหารจิตด้วยการทำความรู้สึกตัวเติตัวเยเนี้ยเนี่ยให้รู้สึกตัวอยู่ไว้ปลุปบปุบหข้ไว้เนี่ยเราจะได้รู้ทันจิตใจตัวเองแล้วก็ออาชนะใจตัวเองได้แล้วเราก็จะไม่ทุกขนะ์นบก่อนจบนี้ขอถามสักคำได้ไขอห้ามพูดแต่ขอห้ามคิดหรือเปล่า การที่เราก็ยิ้มเนี่ยนอกจาก ใ, ใจเราผิดเพี้แล้วคนดันใจตัวเองแล้วม่นยังเป็นคนดันใจคนทข้างอยนะู่ <c oughs> วันนี้คุณยิ้มหรือยังยิมม้มไม่เถอะจิตใจเิล่าแลๆเราไม่เสี่ยเกันหรอกพลังขอให้มีความสุขสนุกสนานกับการเกิดปกติ และควบคุม